เหมือนกับสักแต่เหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนพระพาหิยะอย่างนั้นใช่หรือเปล่าเจ้าค่ะใช่รู้ลงปัจจุบันคือแบบเดียวกันใช่ทีนี้อีกคําถามนึงก็ค <UM ือว่าวาระที่สุดท้ายของเรานี่นะคะการที่เราจะมีสติเช่นการเจ็บป่วยเนี่ยเป็นการยากที่เราจะมีสติและกระทั่งเจ็บปวดไม่ไม่ชี้ยดกกังวลตอนจะตายเนี่ยนะเวลาขณะตอนวิถีที่มันจะตายเนี่ยมันจะตัดการรับรู้ทางกายออกไปก่อน